จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราก็จะได้เริ่มประวัติของท่านพระเถระซึ่งได้ืือว่าอนุพุทธต่อวันนี้ก็เป็นประวัติของท่านพระยศเถร ะ, ระกับสหาย ท่านพยสัสเถระเป็นบุตรเศรษฐีในพระนครพาราณสีซึ่งมีเรือนอยู่ถึงสามหลังอันเป็นที่อยู่ในสามฤดูกาลคื อ, ห ล, ห, ห, อ ห, ลหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูฝนหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับอยู่ในฤดูหนาว การที่ชาวอินเดียหรือชาวชมพูทวีปมีบ้านถึงสามหลังนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการฟุ่มเฟือยอะไรนะักสำหรับพวกที่เศรษฐีหรือพระมหากษัตริย์เพราะเหตุที่ว่าธรรมชาติหรือว่าอากาศของประเทศอินเดียนั้นเป็นปอากาศที่รุนแรงมาก เวลาหนาวก็หนาวถึงขนาดที่ว่ามีคนตายเวลาร้อนก็ร้อนถึงขนาดมีคนตายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการมีบ้านถึงสามฤดูนี้ก็เพื่อที่ต้องการป้องกันชีวิตของตัวเองให้รอดตามฤดูกาลได้ดังนั้นบ้านสามฤดูการนี้ก็จริงได้มีการก่อสร้างผิดกันเช่นบ้านในฤดูหนาวก็ต้องสร้าง ยังไม่ชิดมีหน้าต่างน้อยเพื่อกันไม่ให้อากาศหนาวหรือ ล, ลมเข้าผ่านได้สะดวกนอกจากนั้นแล้วภายในเคหสถานบ้านเรือนของตนเองก็ยังมีเตาไฟสำหรับที่จะใช้เป็นละผิงสาหรับไวผิงกันหนาวด้วยสำหรับในหน้าฤดูร้อนนี้ก็โดยมากมักจะทำเป็นบ้านที่เป็นหลังคาตัดเพื่อที่จะได้ขังน้ำไว้บนหลังคาของตัวเอง และภายในห้องได้เพื่อป้องกันความร้อนดังนั้นยศะะกุลบุตรผู้นี้เป็นผู้หนึ่งที่เป็นลูกของเสร็จถบิดามารดานีก็จึงอำนวยความสะดวกให้ลูกของตัวเองโดยการปลูกบ้านให้ถึงสามหลังอันเพื่อเหมาะสมแก่การอยู่ในฤดูการสมัยนั้นเป็นหน้าฤดูฝน ยะสากุคุณบุตรนี้ก็อยู่ในบ้านที่เหมาะสำหรับที่จะอยู่ในฤดูฝนโดยมีสตรีประโคมดนตรีร้องลำมคาเพลงบําเล อ, อยู่ลุ้นล้วนโดยไม่มีบุรุษคือผู้ชายเจือปนอยู่เลยอันนี้ก็เพราะเหตุที่บิดามดา น, นั้นต้องการจะให้ติดอยู่ในโลกยิยะวิสัยไม่ต้องการที่จะให้ลูกของตัวเองนั้น ออกบวชต้องการจะให้อยู่ครอบครองสมบัติสืบวงศ์ตระกูลต่อไปในค่มคืนวันหนึ่งยศะะกุลบุตรผู้นี้นอนหลับไปก่อนสตรีที่เป็นนาเป็นนางบำเรอคือประโคมดนต ร, ตรีหรือขับร้องนั้นเห็นว่ายศะะกุลระบุตรผู้นี้ หลับไปแล้วตนเองจะมัวประโคมดนตรีหรือว่าขับร้องให้ใครฟังอีกก็เลยหยุดหยุดแล้วก็จึงในนอนหลับหลับขึ้นในภายหลังยศากุณบุตรนี่หลับก่อนเมื่อหลับไปในตอนหัวค่าก็ตื่นมาในตอนดึกตื่นขึ้นมาในดอดดึกแล้วก็เห็น หญิงผู้เป็นบริวารของตัวเองนั้นนอนหลับมีอาการแปลกๆพิกลพิการดูแล้วไม่น่าทัศนาหรือว่าน่ายิน ด, ดีบางนางนั้นก็นอนหลับมีตะโพนทับที่ตัวเองบ้างพินตกอยู่ที่ลักแลบ้าง มีเปิงมางทับที่สวงอกบ้างบางนางก็นอนเสยายผมแต่บางนางก็นอนมีเขละคือน้ําลายไหลและบางนางก็บ่นละเมอเพอ้อต่างๆดูแล้วได้ยินแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำให้เกิดความยินดีเหมือนกับแต่การก่อนในครั้งนั้นปรากฏว่าปรากฏ แกยะสะคุณภาพทั้งหลายที่สตรีทั้งหลายนอนหลับนั้นปลากฏดุดกับซากศพที่ทิกทิ้งอยู่ในป่าช้ายะสะกุลบุตรคนนั้นก็เกิดความสลดใจเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นอึดอัดไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้จนกระทั่งเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเกิดความลำคาญใจเช่นนี้ ไม่สามารถที่จะอยู่ในในเรือนบ้านเรือนของตนเองได้ก็จึงได้เดินลงจากบ้านของตัวเองสวมรองเท้าแล้วก็เดินออกจากประตูบ้านไปเดินตามทางไปเรื่อยๆทางหนทางที่ยศกุลบุตรเดินไปนั้นเป็นหนทางที่ไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ยศะะผู้นี้ก็จึงได้เดินเรื่อยๆไปจนกระทั่งบรรลุถึงป่าอิสิปตนะมรดกถวัมรกทายวันโดยที่ในขณะเดินไปด้วยแล้วก็บนไปด้วยคือเปล่งที่เราเรียกว่าเปล่งอุทานหรือว่าบ่นพุมพรนธไปด้วยว่าที่นี่บุญวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอไปตลอดทางจนกระทั่งไปถึงในที่กะอาถึงป่าอิสิปตนะมฤกทายวัน ซึ่งในเวลานั้นเป็นเวลาจวนสว่างหรือเรียกว่าใกล้ลุงองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สเสด็จออกจงกรมในที่แจ้ทรงได้ยินเสียงยะสะกุลบุตรเปล่งอุทานเช่นนั้นเดินมาในที่ใกล้พระองค์ก็จึงได้ตรัสตอบออกไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญเธอให้เธอจงมาที่นี่เธอ นั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอยะกุณบุตรได้ฟังดังนั้นแล้วเขาะจะพูดแล้วยศะกะุณบุตรในขณะนั้นเหมือนกับว่าลอยคออยู่ในทะเลในกลางทะเลเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เพียงว่าเป็นไม้เล็กๆ <c oughs> ก็ต้องจับไว้ก่อนเพื่อที่ประยุงเอาชีวิตรอดเพราะฉะนั้นในขณะนั้นยศะกะุณบุตรนี้ กำลังตกอยู่ในห่วงแห่งวิตกตึด อ, อัดไม่สามารถที่จะทำความปั่นป่วนในใจของตัวเองนั้นให้หมดไปได้เมื่อได้ยินพระดำรัสของพระองค์พูดเพ่้ยนตรัส่าเช่นนั้นก็จึงได้ถอดรองเท้าอยู่ท่านนอกประตูแล้วเข้าไปภายในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ถวายบังคมแล้วก็จึงได้นั่งลงนทที่สมควรข้างหนึ่งแห่งหนึ่งอันนี้เป็นระเบียบของผู้ที่ได้รับการศึกษาดังนั้นยศกุณบุตรผู้ น, นี้จึงได้เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามาอย่างดีเมื่อจะเข้าไปในสถานที่ที่บุคคลที่ตนเองควรจะให้ความเคารพก็ไม่พึงสวมรองเท้าเข้าไปถอดเสื้อไว้ข้างนอกอันนี้ถือว่า เป็นการครารวะต่อสถานที่อันเป็นสิ่งที่น่าจะจำและน่าศึกษาไว้เมื่อย ะ, ะกุณบุตรนั่นนงลงแล้วพระบรมศาสดาก็จึงได้ตรัสเทศนาอนุปุพีกถานอนุปุพีกฐานี้ก็ได้แก่การกล่าวพรนธาไปโดยลำดับหัวข้อหรือดับตามลำดับหัวข้อ จากง่ายไปหายากเพื่อเป็นการฟอกจิตของกุณบุตรผู้ที่ยังไม่ได้เคยไม่ได้เคยต่อหลักคำสอนหรือพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้มีจิตใจนั้นอ่อนโยนเพื่อที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาที่สูงขึ้นไปได้เปรียบอุปมาเหมือนกับว่าการที่เราจะย้อมผ้า ให้ติดสีดีนั้นเราต้องซักผ้าให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึงจะย้อมได้ติดสีที่ดีเพราะฉะนั้นอนุปุพีคาถานี้ก็เปรียบเหมือนเครื่องที่ซักย้อมฟอกจิตใจของเจสักคุณบุตรนี้ให้ใสสะอาดเสียก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขั้นสูงต่อไปอนุปุพีคาถาคือถ้อยคําที่กล่าวพรรณนาไปโดยลำดับนั้น มีอยู่ด้วยกันห้าประการคือหนึ่งทานกถาว่าด้วยเรื่องการทานคือการเสียสละให้รู้จักการเสียสละสองศีลกถาว่าถึงเรื่องศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสสัขกขะกถาว่าด้วยสวรรค์คือความสุขความเจริญและผลที่น่าปรารถนา อันเป็นส่วนดีของกรรมที่จะพึงเข้าถึงเมื่อได้ประพฤติดีประพฤติงามตามหลักธรรมสองข้อข้างต้นสีกามาทินวัคคตาที่เราเรียกกันว่ากามมาทินกคือแสดงถึงโทษของการมคือความไม่ยั่งยืนและความเป็นทุกข์ของการมในข้อนี้พระองค์ทรงแสดงเพื่อที่จะไม่ให้ ยะกุณบุตรนี้ติดใจลิหลงไหลอยู่ในความสุขความเจริญอันประกอบไปด้วยกรรมในข้อที่ห้านั่นเนคขมานิสังสกถาว่าด้วยเนคขมานิสงคือการถอนตัวออกจากกรรมมะคุณให้ทำให้จิตใจในี่ห่างไกลจากความยินดีในกรรม เพื่อที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาให้เกิดกุณธรรมคือมรรคผลและนิพพานต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงอนุ ป, ปุภีระถาทั้งห้าประการนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมะอันเป็นขั้นสูงต่อไปก็คืออริยสัจสี่ประการใ้แก่ทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยาก อันมีการชาติปิตุขาการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์เป็นต้นสองสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้แก่ตัณหาสามคือการมาตัณหาภวตัณหาวิภวัตัณห า, หานิโรธคือเหตุแห่งการคือนิโรธคือความดับทุกข์หมายถึงผลนิพพาน ก็คือได้แก่การปล่อยวางไม่ยึดมันด่นในอุปัฏาฐานเสียและสี่มัชคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้แก่หนทางที่จะเดดําเนินไปให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้แก่มัชมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแสดงพระธรรมเทศนาจบปรากฏวิยสะกุณบุตรผู้นี้ ได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนี้ก็คือบรรลุโสดาปฏิพันเป็นพระโสดาบันฝ่ายมารดาของยะสะคุณบุตรอยู่ทั้งบ้านพอลุ่งเช้าขึ้นก็ได้ขึ้นไปยังเรือนที่ลูกชายตนเองอยู่ปรากฏว่าไม่เห็นลูกชาย ก็จึงได้สอบถามพวกบรรดาหญิงที่เป็นบริวารทั้งหลายและก็เที่ยวความหาก็ไม่ได้พบเห็นก็จึงได้นําเรื่องนี้ไปบอกตัอสามีของตนเองผู้เป็นเศรษฐีเศรษฐีผู้เป็นสามีของตัวเองเศรษฐีผู้เป็นบิ ด, ดาของยะจึงจัดให้คนนี้ออกตามหายาศกุณบุตรนี้ทั้ง4ี่ทิศ ส่วนตนเองก็จะออกตามหาด้วยแล้วก็ได้เดินไปตามทางที่ไปสู่ป่าอิสิปตนมลกทายวันก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่ไปถึงป่าอิสิปตนมลกทายวันได้เห็นรองเท้าของลูกชายตัวเองถอดไว้ข้างนอกก็จำได้ก็จึงได้เข้าไปภายในป่าอิสิปตนมลกทายวันนั้นเมื่อเศรษฐีเข้าไปแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า ก็จึงได้ตรัสเทศนาโปรเศษฐีผู้เป็นบิดาของยัสท์โดยพระธรรมเทศนากันเดียวกันกับที่แสดงแกยรร่ยัสท์คุณบุญนเองก็ได้แก่เริ่มต้นนั้นก็ฟอกจิตใจของเศรษฐีซะก่อนผู้ศึกไม่เคยคุ้นเคยแก่หลักพุทธศาสนาด้วยอนุปปีกระถาห้าประการดังที่กล่าวแกยรร่ยัสท์เหมือนกัน เมื่อแสดงปุพีระถาห้าประการเป็นที่ฟอกจิตใจของเศรษฐีนี้ให้อ่อนโยนพอที่จะได้รับฟัมพระธรรมเทศนาได้แล้วก็จึงได้เทศโปรดเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสี่ประการคือทุกสมุทัยที่โลดมากนั่นเองเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นปรากฏว่าเศรษฐีผู้เป็นบิดาของยศนี้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกัน คือบรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อเศรษฐีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็จึงได้ปฏิญาณตนแสดงตนเป็นพุทธมาเป็นอุบาสกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธองค์พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์จงจำข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกพูดพูดถึงพระัตนไตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเศรษฐีผู้นี้ได้อ้างเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสะนะี่พึ่งดังนั้นเศรษฐีนี้จึงเป็นอุบาสกคนแรกที่ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคนแรกในโลกแต่เป็นอุบาสกประเภทที่เรียกว่าเตวะจิกาอุบาสก คื อ, อบาสกที่กล่าวถึงพระัตนตรัยสามประการเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักศึกษานักเรียนเนี่ยจะต้องจดจำไว้ให้ดีว่าอุบาสกคนแรกของโลกนั้นมีอยู่ในการสองประเภทประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่าทเววาจิกะอุบาสกหมายถึงว่าคนที่ได้ปฏิญาณตนเป็นาสกครั้งแรกในโลกแล้วมีมาก่อนเศรษฐีผู้นี้ คนผู้นั้นก็คือได้แก่พาณิชย์สองพี่น้องคือพ่อค้าสองพี่น้องที่ชื่อว่าตปุษสะพันลิกะบสองพี่น้องนี้เป็นพ่อค้าที่นำสินค้าบรรทุกเกวียนไปห้าร้อยเล่มไปยังอุกระทวีอาุกร ะ, ระประเทศในชมพูทวีนั่นเองเพื่อจะนำไปสินค้าไปขายไปพบพระพุทธองค์ที่ภายใต้ต้นเกตคือเรียกว่าราชายตนะ นำข้าวสตุก้อนสตุกผงไปถวายแล้วเกิดความเลื่อมใสก็จึงได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกแต่ว่าในขณะนั้นพระสงค์ยังไม่เกิดขึ้นในโลกก็จึงได้กล่าวาแสดงตนเป็นอุบาสกกล่าวเฉพาะพระพุทธองค์กับพระธรรมคำสอนของพระองค์เท่านั้นโดยกล่าวว่าข้าพุทธเจ้านั้นขอถึงพระพุทธองค์และพระธรรม ว่าเป็นสะนะที่พึ่งเพราะตอนนั้นพระสงค์ไม่มีดังนั้นตะพุสะพลิกะพานิสองพี่น้องนี้จึงชื่อว่าเป็นอุบาสกคนแรกของโลกคนแรกในโลกประเภททเววาจิกะอุบาสกคือเป็นอุบาสกที่กล่าวถึงพระรัตนตรัยสองประการที่กล่าวถึงรัตนะสองประการแต่ว่าครั้งนี้เศรษฐีผู้เป็นบิดาของยสันนั้น เป็นอุบาสกคนแรกของโลกโดยการกล่าวถึงพระรัตนตรัยคือรัตนาสามประการเพราะตอนนี้พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกจึงจัดเรียกว่าเป็นเตวาชิกะอุบาสกอันนี้นักศึกษาหรือนักเรียนจะต้องจําในระหว่างที่พระบรมศาสดานั้นได้แสดงธรรมแก่บิดาของยาศกุณบุ ยะสาวกุบุตรพวกนี้นั่งยินอยู่นั่ที่นั้นด้วยก็จึงได้ฟังธรรมะที่พระองค์นั้นได้แสดงแก่บิ ด, ดาของตัวเองซึ่งเป็นธรรมะกันเดียวกับที่แสดงให้ตนฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้ส่งกระแสจิตพิจารณาตามพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงให้บิ ด, ดาตัวเองฟังนั้นก็ได้ยก ขึ้นสู่พระไตยลักษณ์จิตก็พ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นในอุปาทานก็พลันหลุดพ้นบรรลุอรหัตผลเป็นอเศขบุคคลในพุทธศาสนาหมดภารกิจที่เยืพึงกระทำเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกโดยประการทั้งปวงทั้งสิ้นอีกนี่เรียกว่าได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลเลยบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ขึ้นในโลกเลยนี่แหละอนิสง์แห่งการฟังธรรม ในข้อสองที่แทนกล่าวไว้ว่าอา น, นิสงส์แห่งการฟังธรรมนั้นมีห้าประการหนึ่งย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่ได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดจ้องเข้าในจิตเข้าใจในสิ่งนั้นชัดสมบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องห้าจิตของผู้ฟังย่อมพ่องใสยัสสกุณบุตรเคสัสสกุณบุตรผู้นี้เข้าในข้อที่สอง คือครั้งแรกตนเองนั้นเป็นผู้ใหม่ยังไม่ได้เคยฟังพระธรรมเทศนามาก่อนฟังเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นความชัดถ้อยกระทงความนั้นก็จึงได้ไม่สมบูรณ์ัแต่เมื่อได้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งความที่ยังไม่ชัดก็เด่นชัดขึ้นจึงได้ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนานี้จึงได้บรรลุเป็นพร ะ, ะพระบรรลุอรหัตผลเดิมนั้นเพราะฟังเป็นครั้งแรกนั้นได้เพียงเป็นพระโสดาบันเท่านั้นเอง แต่ตอนนี้เป็นพระหรหันต์เพราะเหตุที่ว่าฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คืออ น, นิสงฆ์แห่งการฟังซ้ำเศรษฐีผู้เป็นบิดานั้นไม่ทราบว่าบุตรชายของตนเองนั้นมีอาสวะสิ้นแล้วเมื่อเหลือไปพบลูกชายของตัวเองก็จิตได้บอกว่ายะสะพ่อยะสะมานดาของเจ้านั้นเศร้าโศกพิไลลำพันถึงเจ้านักเจ้าจงให้ชีวิตแก่มานดาของเจ้าเถิด คือเศรษฐีผู้เป็นบิดานี้วิ่งวอลให้ยศศักดิ์กลับบ้านเพราะเหตุที่มันดาพอรู้ว่าลูกบุตรชายของตัวเองหายไปแล้วก็เศร้าโศกโศกาอะไรเป็นอันมากก็จึงได้พูดเช่นนั้นยศศักดุณาบุตรได้ฟังบิดาของตนเองพูดอย่างนี้แล้วก็จึงได้ศกพระเนตรของพระผู้มีพระเจา้าพระองค์ทรงทราบแล้วพระองค์ก็จิงได้ตรัสว่าได้ตรัสแก่เศรษฐีว่าดูก่อรข้ามบดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนแต่ก่อนนี้ยศได้เห็นทรรมด้วยปัญญาอันรู้อันเห็นเป็นของเสกขับบุคคลเหมือนท่านแต่ภายหลังยศนี้ได้พิเคราะห์ภูมิธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นแล้วจิตก็พ้นจากอาสวะมิได้ถือมั่น้วยอุปาทานควรและหรือที่ยศนั้นจะกลับไปบริโภคกามคุณเหมือนแต่ก่อนอีก เศรษฐีก็จึงได้กราบทูลว่าไม่สมควรพระเจ้าค่ะเป็นลาบอันประเสริฐของยาศะแล้วความเป็นมนุษย์ของพ่อยาศะได้ดีแล้วแล้วก็จึงได้ทูลนราธนาพระองค์พร้อมกับยาศะเพื่อเสวยพระกยาหารในตอนเช้าพระองค์ก็ทรงรับด้วยอาการดุสนียภาพคืนนิ่ง เศรษฐีก็ทรงทราบเอ่อเพศหงก็ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงรับแล้วก็จึงได้ลุกจากที่นั่งกระทําอภิวาสแล้วก็ะทำบัทักศิณแล้วก็จึงได้หลีกไปเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาหลีกไปแล้วยศะะกุณบุตรก็จึงได้ทูลขออุปสมบทพระองค์ก็ประทานอุปสมบทให้ทรงอนุญาตให้เป็นพิสุด้วยพระวาจาว่า เอหิปิกุกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดสว่าขาสว่าขาโตโมยาธรรมโมทำอันเราตถาคตกล่าวดีแล้วจะรพระมจริยังเธอจงประพฤติพรหมชนเถิดพระองค์ประทานอุปสมบทให้เพียงแค่นี้โดยที่ไม่ตัดต่อไว้ว่าเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกขโดยชอบเธอก็เพราะว่ายศกุณบุตรผู้นี้ได้ถึงที่สุดแห่งทุกแล้วคือเป็นพระาราห์แล้ว อันนี้นะักศึกษาก็ต้องจําอีกเหมือนกันนักเรียนต้องจําเหมือนกันเอหิพิกขุปสัมปทาการบวชด้วยเอหิพิคุนั้นเอหิพิคุปสัมปทานนั้นมีสองแบบด้วยกันแบบหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่หมดกิเลสที่พระองค์ประทานให้แก่ปัญจวัคคีย์พระองค์จะประทานคําทั้งหมดว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถอะอันนี้ประธานสำหรับแก่ปัญจวคคีหรือแก่คนที่ยังไม่ได้หมดกิเลสแต่สำหรับยะสากุลบุตรนี่เป็นคนที่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่มีคำว่าเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนี่เพราะฉะนั้นในข้อนี้นักเรียนต้องจำว่าเอหิภิกขุสมบทานีการอุสมบทพิธีแรก ที่พระองค์เป็นผู้ประธานอุปสมบทให้เองนั้นก็มีอยู่้วยกันสองแบบคือแบบสำหรับคนที่หมดกิเลสกับคนที่ไม่หมดกิเลสก็ไปอันว่าในสมัยนั้นก็ได้มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกเจองค์ด้ดยกันก็คือปัญจวัคคีย์หยสะหนึ่งเป็นหและพระพุทธองค์หนึ่งเป็นเจ ด, ด้วยกันเอาละ ท่านสาธุชนและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงแค่เทนี้ก่อนขอความเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาว่าถึงประวัติ ของท่านพระยสะกุณบุตรและสหายต่อครั้งที่แล้วนั้น <c oughs> ก็ได้กล่าวมาถึงตอนที่ยสะกุณบุตรได้อุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> จึงมีในสมัยนั้นจึงมีพระรหันเกิดขึ้นในโลกเจ็ดองค์ด้วยกันคือปัญจวัคคีย์ห้ายสะกหนึ่งกับรวมพระพุทธองค์อีกหนึ่งเป็นเจ็ดองค์ด้วยกัน ในเวลาเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระยาศผู้ตามเสด็จได้เสด็จไปยังเลือนเศรษฐีซึ่งเป็นบิดาของยาศกุณบุตรซึ่งเด่นนิมนต์ไว้ทรงนั่งในที่อาสนะแต่งตั้งถวายแล้วในขณะนั้นมารดาและภริยาเก่าของ ยสะนั้นพระยะสะนั้นก็ได้ข่าวฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมแก่หญิงทั้งสองนั้นโดยที่เทศกันเดียวกันอีกนั่นแหละคืออันดับแรกก็ทรงแสดงอนุปุกพีคถาฟอกจิตใจของหญิงทั้งสองนั้นให้อ่อนโยนพอที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาที่สูงขึ้นไปสะก่อนและต่อจากนั้นพระองค์ก็สแสดงอริยสัจสี่ประการให้หญิงทั้งสองนั้นได้ฟัง สตรีทั้งสองนั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทูสลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์นี้โดยประการต่างๆแล้วก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสิกาคือเป็นหญิงที่ถึงพระรัตนตรัยในทํานองเดียวกันว่า ขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นธะนะที่พึ่งตลอดชีวิตขอพระองค์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงซึ่งพระธนันไตว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จึงนับได้ว่าอุบาสิกาคนแรกในโลกได้แก่หญิงสองคนนี้คือมารดาของยะ แล้วก็พัญญาของอของพัญญาเก่าของยศเป็นสตรีที่เป็นอุบาสิกาคนแรกในโลกโดยที่ไม่มีสตรีใดคนก่อนปฏิญาณมาก่อนและก็เป็นประเภทที่ว่าเตวาจิกะอุบาสิกาโดยไม่เคยมีสตรีใดก่อนเป็นที่เป็นประเภททวเววาจิกะอุบาสิกาดังนั้นจึงนับว่าหญิงสองคนผู้นี้ เป็นอุบาสิกาคนแรกในโลกในทีน่นี้ท่านม่นเด็ ก, กล่าวไว้ชัดว่าอุบาสิกาคนแรกในโลกนี้ชื่อนามอะไรแต่บางทางํานานได้กล่าวว่ามารดาของวัญยะศาก์ุณบุตรบุนี้ก็คือนางสุชาดานั่นเองเอาละหญิงทั้งสองนั้นก็จึงได้อังคาดคือเรียงดู ไหวอาหาบรบาิณฑบาตแก่พระบรมศาสดาและยศด้วยของครบเคี้ยวของอของฉันอันประนีตอันบรรจงด้วยมือของนางเองเมื่อพระบรมศาสดานั้นและยศได้สวยพระกรยาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงตรัพธธรรมเทศนาสั่งสอนอนุโมทนาชนทั้งสามก็คือเศรษฐีฮัญญาขเขาเศรษฐี แล้วก็สีสภัยให้ใ ห, ให้ให้อาหานให้ร่าเริงในผลฐานของตัวเองแล้วก็จึงได้เสด็จกลับป่าอิสิตนันนัมเลิกถายวันการอุปสมบทของยศของพระยะนี้นับว่าอำนวยความสุขแก่ชนและพระศาสนาเป็นอย่างยิง่งเพราะว่าเป็นเหตุให้ชักจึงให้สหาย ของพระยศสี่คนซึ่งมีชื่อว่าสุภาหุอวิมระสุภาหุปุณณิชและขวมปติสี่คนหรือว่าสีสีส่คนพุ้ น, นี้เป็นสหายอันเป็นที่รักของยศคุณบุตรและทั้งสี่คนนี้ก็เป็นลูกของเศรษฐีเป็นบุตรของตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราสีนั่นเองทั้งสุภาหุ ่ทาทังวิมาระวิมาระสุภาหุปุณนะชิกวัมปฏิทั้งสีน่นี้ล้วนแต่เป็นบุตรเสด็จถีในพระนครสาวอณปราณสีด้วยกันทั้งนั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าสหายของตนเองคือยะสะกุณบุตรออกบทก็จึงคิดว่าพระธรรมวินัยที่คุณธรรที่ยะสะกุณบุตรออกบทนั้นคงจะไม่ต่ำสามแน่นอนเพราถ้าหากว่าเป็นพระวิอัพระธรรมวินัยที่ต่ำสามแล้วยะสะกุณบุตรนี้คงไม่ออกบทแน่เหตุใด ลูกของเศรษฐีที่มีอพ่อแม่บำเรอโดยกามกคุณต่างๆได้ความสุขทั้งตะงวันกลางคืนโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะย้อนเสียสละความสุขอันนี้มานอนกลางดินกินกลางสายเพื่อพุทธ พ, พรมอาจารย์เพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้คงจะไม่ตามสามแน่นอนเกิดความสงสยัยเช่นนีอยากจะทราบความจริงนั้นก็จึงได้พากันทั้งสี่ท่านเนี่ยจึงได้พากัน มาหาท่านพาระยสสแล้วก็จึงได้บอกความคิดของตัวเองนั้นให้ฟังพระยสสเทระนี้ก็จึงได้นำทั้งสี่สหายนี่แหละไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลให้พระองค์นั้นทรงสั่งสอนพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้กุลบุตรทั้งสี่ให้ได้บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้วก็ทรงอุปทานอุปสมบทให้ด้วย ให้เป็นวิมีมังพุด้วยวิธีเอหิพิกุบุสมัาเช่นกันและพระองค์ก็ทรงสั่งสอนกระทั่งจนทั้งสี่ท่านนี้ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันตะขีนาศขึ้นในโลกดังนั้นในสมัยนั้นก็จึงได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแล้ว1ิบเอ็องค์ด้วยกันคือปัญจวัคคีห้ายะสะหนึ่ง เพื่อนอีกสี่และองค์สุเด็จพระบรมศาสดาอีกหนึ่งรวมแล้วเป็นสิบเอองค์ด้วยกันฝ่ายสหายของพยศักซึ่งไม่ปรากฏชื่ออีกห้าสิบท่านเ้วยกันซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดหรือเรียกว่าเป็นคนชาวชนบทคือไม่ได้อยู่ในพระนครสัมาพารณนศีอยู่ต่างจังหวัดขึ้นไป ซึ่งพระอัมพนครนพระราณสีนี่เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีได้ทราบข่าวว่ายสัผู้เป็นสหายของตัวเองนี้ออกบทก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับสหายทั้งสีท่านเดยกันคือพระวิมระพระสุภาหุพระปุณณิพระวัมติโดยที่คิดว่าพระธรรมวินัยที่ยสะสพระยสะสออกบทนั้นคงจะไม่เลวทรามต่มช้าแน่ ถ้าเด้อ้อตามซาแล้วยัสะคงจะไม่ออกบวชเมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็ต่างคนก็ต่างมาก็มาสอบถามดูยะสะพระยะสะเทระนี้ก็จึงได้นำไปเฝ้าพระบรมศาสดาให้พระองค์ตรัสสอนจนกระทั่งได้บรรลุคุณธรรมพิเศษบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรนจนกระทั่งที่สำเร็จเป็นพระหรัต์ ด้วยกันหมดอีกทั้งห้าสิบเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นภายในพรรษานั่นเองภรษาแรกจึงได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกหกสิบเอ็ดองค์คือปัญจวัคคีย์ห้ายะสะหนึ่งเพื่อนที่ปรากฏชื่อสี่แล้วก็ที่ไม่ปรากฏชื่ออีกห้าสิบรวมเป็นหกสิบเอ็ดทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า สำหรับใน บ, บุพกรรมที่ท่านกล่าวไว้ บ, บุพกรรมของท่านพยสักกับพระเถระที่เป็นสหายอีกทั้งหมดด้วยกันห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าบุพกรรมของคนทั้งหมดห้าสิบห้าท่านนี้ซึ่งมีย์เป็นประธานนี้ว่าในอดีตชาตินั้นเคยได้เผาศกคนไม่มีญาติ หรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นสับเป ล, เลอสมัครเล่นคือเพื่อนทั้งอาเมื่อคนทั้งห้าสิบห้าคนนี้เป็นเพื่อนกันไปไหนไปทําการกิจการงานอย่างไรก็ไปเดียกันครั้งหนึ่งได้เพลินอันใดเดินผ่านป่าชามาก็มาเห็นศพศพศพหนึ่งศพของคนตายศพหนึ่งซึ่งเขาจะยญายเขาเอาไปทิ้งไว้ไม่ได้เผาในป่าก็จึงได้คิดว่า พวกเราในะควรจะเผาศพก็จึงได้ช่วยกันคุณลไม้เสมอไปหาไมา้แห่งๆที่เป็นฟืนมาเพื่อจะก่อตั้งเป็นกองฟอนแล้วก็เผาศพกันเมื่อก่อตั้งเป็นกองฟอนเผาศพแล้วปรากฏว่าเพื่อนสหายห้าสิบคนนั้นที่ไม่ปรากฏชื่อนี้มีภารกิจที่จะต้องกลับบ้านก่อนก็จึงมอบภาระให้ สหายห้าท่านเดียกันซึ่งมีพระยา์วิมระสุภาหุปุณชิควัมปติห้าท่านนี้คอยดูเผาศพให้เสร็จส่วนตนห้าสิบคนนั้นก็กลับบ้านเส่นกันสหายทั้งห้าซึ่งมีพระยา์เทระนีเป็นต้นเป็นเป็นประธานในอดีตท่านก็จึงได้ช่วยกันเผาศพในขณะที่เผาศพนั้นก็ได้พิจารณาถึงอสุภกรรมฐาน จนกระทั่งได้มรณสติระลึกถึงความตายว่าคนเราเขาต้องตายอย่างนีนะ้ด้วยกันทางนั้นไม่ได้ตายแต่เขาเราก็ตายแม้เราจะต้องตายในการต่อไปยศสะกุณบุตรนี้ได้เจริญได้มรณสติแล้วก็จึงได้บอกให้เพื่อ น, อนทั้งสี่คนนั้นให้เจริญมรณสติเหมือนกับตนแล้วเมื่อเผาศพเสร็จแล้วกลับมาบ้านยะสะผู้นี้ก็จึงได้นําเอามรณสติหรือบอกเรื่องการเผาศพนี้ ให้แก่บิดามารดาพันยาและก็บุคองตนเองให้เจริญมรณาสติแล้วก็เมื่อเจอเพื่อนอีกห้าสิบคนนี้ก็จึงได้บอกให้เจริญมรณาสติเช่นเดียวกันก็ปรากฏว่าบุพกรรมอันนั้นมาเตือนใจของท่านของยักุณบุตรเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่ายะกุณบุตรนี้ได้เห็นหญิงที่เป็นนามบําเล็ญของตนเองนอนหลับในเวลาค่ำคืนนั้น จึงปรากฏเหมือนกับซากศพในป่าชาซึ่งตนเองนั้นได้เห็นในอดีตการนี่มาเตือนเช่นนี้จึงทาให้ยะสักุณบุตรภูณีเบื่อหน่ายในกามคุณนั้นจึงได้ออกบทจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของสหายทั้งห้าสิบห้าคนเมื่อสิน้นฤดูฝน องคุณเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพระสาวกมีดดวยกันถึงหกสิบรูปแล้วพอที่จะส่งไปประกาศพระาศาสนาได้แล้วพระองค์ก็จึงได้เรียกประชุมพระสาวกทั้งหมดซึ่งมีพระปัญจวัคคีแล้วก็พระยศ พ, ยพร้อมทั้งสหายรวมดดวยกันทั้งหมดหกสิบท่านเดยกัน ส่งไปประกาศจะส่งไปประกาศพระศาสนาโดยที่พระองค์ได้กล่าวว่าบวงอันเป็นทิศและบวงอันเป็นของมนุษย์เราก็ได้พ้นไปแล้วแม่เธอทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายนั้นจงเที่ยวไปตามคำมณิคมทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุข และความสุขแก่ชนเป็นอันมากแต่อย่าไปรวมกันสองรูปโดยทางเดียวจงสแสดงธรรมอันมีคุณงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสบังปัญญาดุจทุลีในจกักษุน้อยเป็นปกติก็มีอยู่แต่เพราะโทษที่ไม่ได้ฟังธรรมก็ย่อมเสื่อมจากคุณธรรมที่จะพึงได้พึงถึงผู้รู้ถึงธรรมะจกมีอยู่แม้เราก็จะไปอย่างตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อที่จะแสดงธรรมพระองค์นั้นก็ ได้ประกาได้กล่าวแก่ภาษาเวกนนี้แล้วก็จึงได้ส่งภะษาวกนี้ไปประกาศาศาสนาแต่ว่าพระองค์นั้น <c oughs> ตัดว่าอย่าได้ไปหนทางเดียวกันสององค์เพราะเหตุว่าสมาชิกของเราหรือว่า ศา ส, สาวของเรายัางน้อยอยู่ให้ไปบนทางระองค์ดังนั้นพระยะกุณบุตรพระยะเถระและพระสหายทั้งห้าสิททั้งห้าสิบสี่องค์ซึ่งมีพระวิมระสุภาหุพุลัญชีความปติถิและที่ไม่มีชื่ออีกห้าสิบท่านนั้นก็จึงได้เป็นกำลังใหญ่ในการประกาศศา ส, สนา จึงได้เป็นกำลังใหญ่ในการปร ะ, ประกาศศาสนาซึ่งเป็นภาษาวกภาษาวกรุ่นแรก <c oughs> ที่ไปประกาศศาสนาที่พระองค์ทรงส่งไปได้ไปประกาศศาสนายังชนบ ท, ทต่างๆ <c oughs> โดยสั่งสอนให้กุณบุตรและกุณมนิิดานั้น เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเป็นอันมากแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อไปประกาศพศาสนาแล้วมีกุณบุตรบางท่านต้องการจะบวชในพุทธศาสนานั้นพระมหาเถระทั้งหกสิบท่านนี้ก็ไม่สามารถที่จะ ให้อุปสมบทได้เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้สรงอนุญาตไว้ดังนั้นเมื่อมีกุณบุตรคนใดต้องการจะบวชก็จำเป็นจะต้องพากลับมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์นั้นประทานอุปสมบทให้เึงเป็นการลำบากทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเห็นความลำบากเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ทรงประทานอนุญาตให้ภาษาวกทั้งหลายนั้นทรงเป็นพระอุปชายะบทคุณบุตรได้แต่ว่าการให้อุปสมบทให้ภะษาวกเป็นอุปชาบทคุณบุตรได้นั้นพระองค์ทรงประทาน พิธีการอุปสมบทแบบหมายให้โดยที่ไม่ประทานให้อุปสมบทโดยเอหิพิคุปสมัทาคือทรงประทานให้อุปสมบทแบบหมายให้โดยประทานให้อุปสมบทโดยไตรสรณูผสัมมทาหรือว่าติสรณคมนูปสัมมทาคือให้ถึงถึงพระ t ัน n ไตราสามประการโดยพระองค์ก็ทรงแนะนาว่า ในเบื้องต้นนั่งคุณบุตรที่จะบรรพชาอุปสมบทนั้นพึงปรงผมและหนวดพึงโกนผมและหนวดออกเสียแล้วก็นุ่งหมผ้ากาสายะหรือกาสาวพัดผ้ากาสายะหรือผ้ากาสาวพัดนี้หมายถึงว่าผ้าที่ยอมเล่นน้ําฝาดที่เราเรียกกันว่าจีวรนั่นเอง คือผ้าจีวร น, นี้เป็นผ้าที่ย้อมด้วยน้ําฝาดแล้วเมื่อนุ่งผ้าอ่าคล้องผ้าที่ย้อมด้วยน้ําฝาดแล้วก็นั่งประยองพระนมมือกล่าวกับพิสุโดยระลึกอ่าโดยกล่าวคําระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปิ ตาติยัมปิแล้วก็ถึงสามครั้งอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าสําเร็จการอุปสมบทเป็นพระพิสุทิ์ได้ซึ่งการอาุปสมบทแบบนี้เราเรียกกันว่าติสรณคมนูปสมบทาคือการอุปสมบทโดยการเข้าถึงซึ่งพระรัตนต ร, นะรัยหรือการถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นสนะที่พึ่ง วิธีบวชแบบนี้ภายหลังนั่นก็ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นการบวชสมัณเณรซึ่งการบวชสมัณเณรนั้นเราก็ได้ถือมาโดยวิธีนี้จนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้อันนี้เป็นการที่ว่าพระองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้แก่พระสาวกให้เป็นอุปชาบวชเองโดยการบวชเอจีพิคุปสัมปทานนั้นพระองค์ทรงประทานเพียงพระองค์เดียว แล้วตามหลักฐานปรากฏไวว่าแม้แต่พระองค์นั้นภายหลังมาจะประทานการอุปสมบทโดยยติจตุถกรรมมวาจารโดยให้สงเป็นใหญ่ก็ตามแต่ถ้าพระองค์เองพระองค์ก็จะประทานอุปสมบทให้โดยเอหีภิกขุสมถานเพราะฉะนั้นเอหีภิกขุสมถานี้จึงเป็นการที่พระองค์ทรงประทานแต่พระองค์เดียว หรือเรียกว่าผู้ที่บวชโ ด, ดยอุปเอหีพิคุปสมัตทานี้คือมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นส่วนการที่มีพระสาวองค์อื่นเป็นพระอุปัชฌานั้นก็คือเป็นพิธีที่บวช ด, ด้วยไตรสนาคมบ้างและก็ยติจตุตทกรร ม, มาวาจ่าบ้างอันนี้นักเรียนต้องอ่านักเรียนพึงจาไว้ท่านพระมหาเถระ ทั้งห้าสิบห้าองค์นี้ซึ่งมีพระยศเป็นต้นนั้นไม่ปรากฏว่าได้รับเป็นเอตทะคะหรือได้รับยกย่องจากองค์ุณเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเล่หกว่าพิสุกในทางใดเลยทั้งห้าสิบห้าองค์และในบรรดาห้าสิบห้าองค์นี้ท่านจัดท่านพระโบราอาจารย์ทั้งหลายได้จัด อยู่ในประเภทที่เป็นพระมหาสาวกเพียงห้าองค์เท่านั้นเองก็คือพระยสเถระพระวิมระเถระวิมลเถระพระสุภาหุเถระพระปุณณิเถระและพระควัมปติเถระเท่านั้นส่วนพระมหาเถระอ่าส่วนพระมหาเถระอีกห้าสิบองค์ที่ไม่ปรากฏชื่อนั้นท่านไม่ได้จัดเข้าเป็นพระมหาเถระในประเภทที่วอสีติมหาเถระแปดสิบองค์ อันนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้กล่าวชื่อจึงไม่ได้มีชื่อปรากฏไวเป็นตะเพียงกล่าวไว้ว่ากล่าวจํานวนไว้ให้เท่านั้นแต่ความจริงแล้วเท่าจะคิดกันแล้วน่าจะจัดเอาท่านพระมหาเถระทั้งห้าสิบองค์นี้เข้าเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ด้วยในจํานวนแปดสิบองค์เพราะอะไรเพราะท่านเป็นภาษาวกรุ่นแหลกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ทรงส่งไปประกาศศาสนาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปักหลักของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในดินแดนแห่งชมพูตวีตนั้นเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นคนแรกเอกน่าจะจัดเข้าท่านเข้าเป็นพระมหาสาวกที่มีความสำคัญด้วยแต่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าประวัติของท่านนั้นคงจะไม่สลักสำคัญหรือว่ามี มีความสำคัญหรือมีความเด่นอันใดในประวัติของท่านท่านจึงไม่ได้จับาไว้อาจจะเป็นได้อันนี้ก็ขอให้ท่านผู้นักศึกษาทั้งหลายก็จงวินิจฉัยดูท่านพระมหาเถระทั้งห้าสิบห้าองค์นี้ที่มีปรากฏชื่อห้าองค์และที่ไม่มีปรากฏชื่อห้าสิบองค์นั้น ท่านได้เป็นกำลังสำคัญของทางพุทธศาสนาได้สั่งสอนกุลบุกคลิดาให้เลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วให้นำเอาคำสอนของพระองค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติแก่ชีวิตของตนเองจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลตามสมควรและท่านทั้งห้าสิบห้าท่านนี้ ได้เป็นกำลังใหญ่ของพุทธศาสนาได้ดำรงอายุการมาตามสมควรแก่อายุไขแล้วก็ดับขันธปรินิพานเพราะฉะนั้นประวัติของพระยะสะเถระและพระสหายรทั้งห้าสิบสี่ก็จบลงไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญภาสุขจงมีแก่ท่านนักศึกษา และท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านด้วยกันขอเจริญพร